ได ja ja ้ยินว่าพ่อเจ้าเรือนและแม่เจ้าเรือนทั้งหลายผู้รักบุตรซึ่งมีอยู่ในพระนครนี้ชะไหนจึงไม่ทูลพระราชาอย่าให้ทรงฆ่าพระราชบุตรอันเกิดแต่พระอุระได้ยินว่าพ่อเจ้าเรือนและแม่เจ้าเรือนทั้งหลายผู้รักบุตรซึ่งมีอยู่ในพระนครนี้ชะไหนจึงไม่ทูลทัดฐานพระราชาอย่าให้ทรงฆ่าพระราชบุตรผู้เกิดแต่พระองค์ เราปรารถนาประโยชน์แก่พระราชาด้วยทําประโยชน์แก่ชาวชนบททั้งปวงด้วยใครๆผู้มีความแค้นเคืองกับเราไม่พึงมีชาวชนบทไม่ช่วยกราบทูลให้ทรงทราบเลยแน่แม่เจ้าเรือนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดาและวิงวอนกันดหาละพราหมณ์ว่า ขอจงอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องค์อาจดังราชสีแน่แม่เจ้าเรือนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดาและวิงวอนกันดหาละพรามว่าขอจงอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้เป็นที่หวังของโลกทั้งปวงทาไหนหนอเราพึงเกิดในตระกูลนายช่างรถในตระกูลปุกะกุสะ หรือพึงเกิดในหมู่พ่อค้าพระราชาก็จะไม่พึงรับสั่งให้ข่าเราในการบูชายันวันนี้เจ้าผู้มีความคิดแม้ทั้งปวงจงไปหมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้ากันดหาละเรียนว่าเราไม่ได้เห็นความผิดเลยแน่แม่เจ้าเรือนแม้ทั้งปวงเจ้าจงไปหมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้ากันดหาละเรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญเราทั้งหลายได้ประทุษร้ายอะไรต่อท่านพระเสลาราชกุมารีผู้น่าสงสารทรงเห็นพระพาดาทั้งหลายอันเขานำมาเพื่อบูชายันทรงคร่ำครวญว่าดังได้สดับมารราชบิดาของเราทรงปรารถนาสวรรค์รับสั่งให้ตั้งยันขึ้น พระวสุระราชนัดดากลิ้งไปกลิ้งมาเฉพาะพระพักพระราชากราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ยังเป็นเด็กไม่ถึงความเป็นหนุ่มขอพระองค์ทรงโปรดอย่าได้ฆ่าพระบิดาของข้าพระองค์เลยวสุละนั่นพ่อเจ้าเจ้าจงไปพร้อมกับบิดาเจ้าพรำเภร อ, อยู่ในพระราชวังย่อมให้เกิดความทุกข์แก่ปูนะ่นัก จงปล่อยพระราชกุมารทั้งหลายณนะบัดนี้เราขอเลิกการอวบบูชายันข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในการก่อนเทียวว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้แสนยากบัดนี้พระองค์ทรงกระทายันที่ข้าพระองค์ตระเตรียมไว้แล้วให้กระจัดกระจายเพราะเหตุไรชนเราใดบูชายันเองก็ดี และชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีอันหนึ่งชนเหล่าใดอนุโมทนามหายัญเชน่นนี้ของบุคคลผู้บูชายันอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุขติข่าแต่พระเจ้าเอกราชข้าพระองค์ตระเตรียมยันแล้วด้วยแก้วทุกอย่างตกแต่งไว้แล้วเพื่อพระองค์ขอเดชะเชิญเสด็จออกเถิด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 ถูกราชบุรุษนำไปทําความเศร้าพระหารุไถให้แก่พระชนนีพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแขวนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทนไลทากฤษณาและจุนแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปทําความเศร้าใจให้แก่ประชุมชนพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร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 พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์สเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปลา่าในการก่อนพวกคนรถจ้องตามสเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารผู้สเสด็จขึ้นทรงรถอันประเสริฐวันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์สเสด็จ ด, ดำเนินด้วยพระบาทเปลา่า ในการก่อนพระจันท ก, กุมารและพระสุริยกุมารราชบุรุษเชิญเสด็จออกด้วยม้าทั้งหลายอันตกแต่งด้วยเครื่องทองวันนี้พระจันท ก, กุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่านกเอ๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศปุรพาแห่งปุกภวดีนคร ณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายัญด้วยพระราชโอรสสี่พระองค์นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุบผาวดีนครณนะที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายัญด้วยพระราชธิดาสีพระองค์ นกเอย๋ยถ้าเจ้าปราถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศปุรผาแห่งปุบพาวดีนครณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายัญด้วยพระมเหสีสีพระองค์นกเอ๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศปุรผาแห่งปุบพาวดีนครณที่นั้ น, พ ร, น, พ, ร พ, ร น, นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหล จะทรงบูชายันด้วยคฤรุหบดีสี่คนนกเอ๋ยถ้าเจ้าปราถนาเนือ้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุบภาวดีนครณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายันด้วยช้างสี่เชือกนกเอ๋ยถ้าเจ้าปราถนาเนือ้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุบภาวดีนครณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหล จะทรงบูชายัญด้วยม้าสี่ตัวนกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุบพวดีนครณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายัญด้วยโคอุสภราชสี่ตัวนกเอย๋ยถ้าเจ้าปราถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุบพวดีนคร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 บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่านี้พระอุทยานของพระองค์ท่านมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่านี้ป่าอโศกของพระองค์ท่านมีดอกบานสะพรั่งตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมใจ บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่านี้ป่ากานิกาของพระองค์ท่านมีดอกบานสพรั่งตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมใจบัดน er ี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่านี้ป่าแครฝอยของพระองค์ท่านมีดอกบานสพรั่งตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมใจ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 วิจิตด้วยลายเครือวันเป็นที่เรื่นรงเป็นอันดีบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานาไปเพื่อจะฆ่านี้ช้างแก้วของพระองค์ท่านชื่อเอราวันเป็นช้างงา ม, มีกำลังบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานาไปเพื่อจะฆ่านี้ม้าแก้วของพระองค์ท่านเป็นม้ามีกรีบไม่แตกเป็นม้าวิ่งได้เร็ว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 อย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจกทรงบูชายันด้วยพระราชโอรสสี่พระองค์ผู้งามเสมอด้วยทองคำมีพระกายไหลทาด้วยจุนแก่นจันอย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจกทรงบูชายันด้วยพระราชธิดาสี่พระองค์ผู้งามเสมอด้วยทองคำมีพระกายไหลทาด้วยจุนแก่นจัน อย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจักทรงบูชายันด้วยพระมเหสีสี่พระองค์ผู้งามเสมอด้วยทองคำมีพระกายไล้ทาด้วยจุนแก่นจันอย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจักทรงบูชายันด้วยขฤหบดีสี่คนผู้งามเสมอด้วยทองคำมีร่างกายไล้ทาด้วยจุนแก่นจัน